พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามิได้มีสัจจะหลายอย่างต่างๆกันเลยเว้นแต่สัจจะที่แน่นอนด้วยสัญญาในโลกแต่สมณพราหมณ์ทั้งหลายพากันกาหนดความตรึกในทิฏฐิทั้งหลายไปเองแล้วกล่าวทำเป็นสองอย่างว่าคำของเราจริงคำของท่านเท็จว่าด้วยความจริงไม่ต่างกันคำว่ามิได้มีสัจจะหลายอย่างต่างต่า ง, างกันเลย อธิบายว่ามิได้มีสัจจะหลายอย่างต่างๆกันคือมิได้มีหลายอย่างเป็นอย่างโน้อนอย่างนี้มากมายเลยรวมความว่ามิได้มีสัจจะหลายอย่างต่างๆกันเลยคําว่าเว้นแต่สัจจะที่แน่นอนด้วยสัญญาในโลกอธิบายว่าเว้นแต่สัจจะที่ถือว่าแน่นอนด้วยสัญญาสัจจะอย่างเดียวเท่านั้นที่บัณฑิตกล่าวบอกแสดงชี้แจงไวในโลก ได้แก่นิพพานคือความดับทุกข์ความระงับสังขารทั้งปวงความสลัดทิ้งอุปธิทั้งหมดความสิ้นตันหาความคลายกำหนัดความดับกิเลสความเย็นสนิทอีกในหนึ่งมรรคสัจจะคือสัจจะที่เป็นเหตุนำสัตว์ออกจากทุกข์ทุกขนิโรธคาไม่หนีปฏิปทาอริยมรรคมีองค์แปคือหนึ่งสัมมาทิฏฐิและถึงแป สัมมาสมาธิตราบเรียกว่าสัจจะอย่างเดียวรวมความว่าเว้นแต่สัจจะที่แน่นอนด้วยสัญญาในโลกคำว่าแต่สมณพราหม์ทั้งหลายพากันกำหนดความตรึกในทิฏฐิทั้งหลายไปเองแล้วกล่าวทําเป็นสองอย่างว่าคำของเราจริงคำของท่านเทศอธิบายว่าพวกสมณพราหม์พากันตรึกตรองดาริแล้วทาทิฏฐิให้เกิดให้เกิดขึ้น ให้บังเกิดให้บังเกิดขึ้นครั้นทมทิฐิให้เกิดให้เกิดขึ้นให้บังเกิดให้บังเกิดขึ้นแล้วก็กล่าวอย่างนี้คือพูดบอกแสดงชี้แจงอย่างนี้ว่าคำของเราจริงคำของท่านเทศรวมความว่าแต่สมณพราหมณ์ทั้งหลายพากันกำหนดความตรึกในทิฐิทั้งหลายไปเองแล้วกล่าวทาเป็นสองอย่างว่าคำของเราจริงคำของท่านเทศ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 คือรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินศีลวัดหรืออารมณ์ที่รับรู้แล้วแสดงอาการดูหมิ่นและดำรงอยู่ในทิฏฐิที่ตกลงใจแล้วก็ร่าเริงกล่าวว่าคนอื่นเป็นคนพานไม่ฉลาดเจ้าลัทธิแสดงความดูหมิ่นผู้อื่นคำว่าเจ้าลัทธิอาศัยทาเหล่านี้คือรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินศีลวัดหรืออารมณ์ที่รับรู้แล้ว แสดงอาการดูหมิ <Stella> ่นอธิบายว่าเจ้าลัทธิอาศัยคือเข้าไปอาศัยถือยึดมั่นถือมั่นรูปที่เห็นหรือความหมดจดเพราะรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินหรือความหมดจดเพราะเสียงที่ได้ยินศีลหรือความหมดจดเพราะศีลวัดหรือความหมดจดเพราะวัดอารมณ์ที่รับรู้หรือความหมดจดเพราะอารมณ์ที่รับรู้รวมความว่า เจ้าลทัทธิอาศัยทำเหล่านี้คือรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินศีลวัดหรืออารมณ์ที่รับรู้แล้วคำว่าเจ้าลทัทธิอาศัยทำเหล่านี้แล้วแสดงอาการดูหมิน่นอธิบายว่าเจ้าลทัทธิไม่นับถือจึงชื่อว่าแสดงอาการดูหมิ่นบ้างอีกในหนึ่งเจ้าลทัทธิทำโทมานัทให้เกิดก็ชื่อว่าแสดงอาการดูหมิ่นบ้าง รวมความว่าเจ้าลัทธิอาศัยทมเหล่านี้คือรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินศีลวัดหรืออารมณ์ที่รับรู้แล้วแสดงอาการโดมินคำว่าและดํารงอยู่ในทิฏฐิที่ตกลงใจแล้วก็ร่าเริงอธิบายว่าทิฏฐิ62ปิบสอเรียกว่าทิฏฐิที่ตกลงใจแล้วเจ้าลัทธิดํารงอยู่คือยืนยันอยู่ ถือยึดมั่นถือมั่นอยู่ในทิฏฐิที่ตกลงใจแล้วรวมความว่าดํารงอยู่ในทิฏฐิที่ตกลงใจแล้วคําว่าก็ร่าเริงได้แก่ยินดีหัวเราะร่าเริงชอบใจมีความดำริบริบรูรณ์แล้วอีกในหนึ่งหัวเราะจนมองเห็นฟันรวมความว่าและดํารงอยู่ในทิฏฐิที่ตกลงใจแล้วก็ร่าเริงคําว่า กล่าวว่าคนอื่นเป็นคนพานไม่ฉลาดอธิบายว่ากล่าวคือพูดบอกแสดงชี้แจงอย่างนี้ว่าคนอื่นเป็นคนพานคือเลวสามต่ำสามน่ารังเกียจหยาบช้าต่ำต้อยไม่ฉลาดไม่มีความรู้ตกอยู่ในอวิชชาไม่มีญาณไม่มีปัญญาแจ่มแจ้งไม่มีปัญญาเครื่องทําลายกิเลสมีปัญญาทึบ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 พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเจ้าลัทธิใส่ไฟบุคคลอื่นว่าเป็นคนพาลเพราะเหตุใดก็กล่าวถึงตนเองว่าเป็นคนฉลาดเพราะเหตุนั้นเจ้าลัทธินั้นอวดอ้างตนเองว่าเป็นคนฉลาดย่อมดูหมิน่นบุคคลอื่นและกล่าวเช่นนั้นเหมือนกันเจ้าลัทธิเห็นคนอื่นเป็นพาลคำว่าเจ้าลัทธิใส่ไฟบุคคลอื่นว่าเป็นคนพาลเพราะเหตุใด อธิบายว่าเจ้าลัทธิสายไฟคือเห็นมองเห็นและเห็นตรวจ ด, ดูเพ่งพินิจพิจารณาดูบุคคลอื่นโดยความเป็นคนพาลคือเป็นคนเลวซามต่ำซามน่ารังเกียจหยาบช้าต่ำต้อยเพราะเหตุใดคือเพราะปัจจัยใดเพราะการใดเพราะแดนเกิดใดรวมความว่าเจ้าลัทธิสายไฟบุคคลอื่นว่าเป็นคนพาลเพราะเหตุใด คำว่าก็กล่าวถึงตนเองว่าเป็นคนฉลาดเพราะเหตุนั้นอธิบายว่าตนตรัสเรียกว่าตนเองเจ้าลัทธิแม้นั้นกล่าวถึงตนเองว่าเราเป็นคนฉลาดคือเป็นบัณฑิตมีปัญญามีปัญญาเครื่องตรัสรู้มีญาณมีปัญญาแจ่มแจ้งมีปัญญาเครื่องทําลายกิเลสเพราะเหตุนั้นคือเพราะปัจจัยนั้นเพราะการนั้นเพราะแดนเกิดนั้น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 ตามลัทธิของตนรวมความว่าเจ้าลัทธินั้นอวดอ้างตนเองว่าเป็นคนฉลาดคำว่าย่อมดูหมิ่นบุคคลอื่นและกล่าวเช่นนั้นเหมือนกันอธิบายว่าเจ้าลัทธิไม่นับถือจึงชื่อว่าดูหมิ่นผู้อื่นบ้างอีกในหนึ่งเจ้าลัทธิทำโทมานัสให้เกิดจึงชื่อว่าดูหมิ่นผู้อื่นบ้างคาว่าและกล่าวเช่นนั้นเหมือนกันได้แก่ กล่าวเช่นนั้นเหมือนกันเคอธิฐินั้นว่าบุคคลนี้มีความเห็นผิดมีความเห็นวิปริตแม้ด้วยประการอย่างนี้รวมความว่าย่อมดูหมิ่นบุคคลอื่นและกล่าวเช่นนั้นเหมือนกันด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าเจ้าลัทธิใส่ไฟบุคคลอื่นว่าเป็นคนพาลเพราะเหตุใดก็กล่าวถึงตนเองว่าเป็นคนฉลาเพราะเหตุนั้น เจ้าลัทธินั้นอวดอ้างตนเองว่าเป็นคนฉลาดย่อมดูหมิ่นบุคคลอื่นและกล่าวเช่นนั้นเหมือนกันหนึ่งร้อยยี่สิบสี่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเจ้าลัทธินั้นเป็นผู้เพียรพร้อมด้วยอติสาระทิฐิเมาด้วยความถือตัวมีความถือตัวจัดอภิเศกตนเองด้วยใจเพราะทิฐินั้นเจ้าลัทธิถือกันมาอย่างนั้น ทิฏฐิหกสองตราสเรียกว่าอติสาระทิฏฐิคำว่าเจ้าลัทธินั้นเป็นผู้เพียรพร้อมด้วยอติสาระทิฏฐิอธิบายว่าทิฏฐิหกสิบสองตรัสเรียกว่าอติสาระทิฏฐิเพราะเหตุไรทิฏฐิหกสิบสองจึงตรัสเรียกว่าอติสาระทิฏฐิเพราะทิฏฐิเหล่านั้นทั้งหมดเก้าล่วงเหตุเก้าล่วงลักษณะเก้าล่วงฐานะเพราะเหตุนั้น ทิฏฐิหกจึงตราสเรียกว่าอติสาระทิฏฐิเดรถีทุกจําพวกเป็นผู้มีอติสาระทิฏฐิเพราะเหตุใรเดรถีทุกจําพวกจึงชื่อว่าเป็นผู้มีอติสาระทิฏฐิเพราะเดรถีเหล่านั้นก้าวล่วงคือก้าวพ้นล่วงพ้นกันและกัน ท, ทําทิฏฐิทั้งหลายให้เกิดให้เกิดขึ้นให้บังเกิดให้บังเกิดขึ้นเพราะเหตุนั้น เดรธีทุกจำพวกจึงชื่อว่าเป็นผู้มีอติสาระทิฐิ Goddess. คำว่าเจ้าลัตินั้นเป็นผู้เพียรพร้อมด้วยอติสาระทิฐิอธิบายว่าเจ้าลัติเป็นผู้เพียรพร้อมคือบริบูรณ์ไม่บกพร่องด้วยอติสาระทิฐิรวมความว่าเจ้าลัตินั้นเป็นผู้เพียรพร้อมด้วยอติสาระทิฐิคำว่าเมาด้วยความถือตัว มีความถือตัวจัดอธิบายว่าเมาคือประมาทคลั่งคลั่งคล้ายด้วยทิฐิของตนคือด้วยความถือตัวเพราะทิฏฐิรวมความว่าเมาด้วยความถือตัวคำว่ามีความถือตัวจัดได้แก่มีความถือตัวจัดคือมีความถือตัวมากมีความถือตัวไม่บกพร่องรวมความว่าเมาด้วยความถือตัวมีความถือตัวจัด คำว่าอภิเสกตนเองด้วยใจอธิบายว่าอภิเสกตนเองนั่นแหละด้วยความคิดว่าเราเป็นผู้ฉลาดเป็นบัณฑิตมีปัญญามีปัญญาเครื่องตัสรู้มีญาณมีปัญญาแจ่มแจ้งมีปัญญาเครื่องทําลายกิเลสรวมความว่าอภิเสกตนเองด้วยใจคําว่าพราะทิฏฐินั้นเจ้าลัทธิเถืกันมาอย่างนั้นอธิบายว่า ทิฏฐินั้นเจ้าลัทธิถือกันมาแล้วคือสมาทานแล้วถือแล้วยึดมั่นแล้วถือมั่นแล้วติดใจแล้วน้อมใจเชื่อแล้วอย่างนั้นรวมความว่าเพราะทิฏฐินั้นเจ้าลัทธิถือกันมาอย่างนั้นด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าเจ้าลัทธินั้นเป็นผู้เพียรพร้อมด้วยอติสาระทิฏฐิเมาด้วยความถือตัวมีความถือตัวจัด อภิเศกตนเองด้วยใจเพราะทิฏฐินั้นเจ้ารัฐิเทิกันมาอย่างนั้นหนึ่งร้อยี่สิห้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอันหนึ่งหางบุคคลเป็นผู้เลวสามเพราะวาจาของผู้อื่นใซเขาก็เป็นผู้มีปัญญาสามพร้อมกับผู้นั้นและถ้าผู้เรียนจบพระเวทเองเป็นนักปราดได้ใจบรรดาสมณนะก็ไม่มีใครเป็นคนผ่าน คำว่าอันหนึ่งหากบุคคลเป็นผู้เลวทรามเพราะวาจาของผู้อื่นใซ้อธิบายว่าหากบุคคลอื่นเป็นคนพาลเลวเลวทรามคือต่ำทรามน่ารังเกียจหยาบช้าต่ำต้อยเพราะวาจาคือเพราะถ้อยคำของผู้อื่นเพราะเหตุที่ถูกนินทาเพราะเหตุที่ถูกติเตียนเพราะเหตุที่ถูกว่าร้ายไซ้รวมความว่า อันหนึ่งหากบุคคลเป็นผู้เลวสามเพราะวาจาของผู้อื่นไซคำว่าเขาก็เป็นผู้มีปัญญาสามพร้อมกับผู้นั้นอธิบายว่าแม้เขาก็เป็นผู้มีปัญญาเลวเือเป็นผู้มีปัญญาสามมีปัญญาต่ำสามมีปัญญาหน้ารังเกียจมีปัญญาหยาบช้ามีปัญญาต่ำต้อยพร้อมกับผู้นั้นนั่นเองรวมความว่า เขาก็เป็นผู้มีปัญญาสามพร้อมกับผู้นั้นคำว่าและถ้าผู้เรียนจบพระเวทเองเป็นนักปราดได้ใช้อธิบายว่าและถ้าผู้เรียนจบพระเวทเองเป็นนักปราดคือเป็นบัณฑิตมีปัญญามีปัญญาเครื่องกัสรู้มียานมีปัญญาแจ่มแจ้งมีปัญญาเครื่องทำลายกิเลสไซ้รวมความว่าและถ้าผู้เรียนจบพระเวทเองเป็นนักปราดได้ใช้ คำว่าบัรดาสมณะก็ไม่มีใครเป็นคนผานอธิบายว่าบันดาสมณนะก็ไม่มีใครเป็นคนพานคือเป็นคนเลวเลวสามต่ำสามน่ารังเกียจหยาบช้าต่ำต้อยเลยทุกคนก็มีปัญญาเลิศมีปัญญาประเสริฐมีปัญญาวิเศษมีปัญญานำหน้ามีปัญญาสูงสุดมีปัญญาประเสริฐสุดไปหมดรวมความว่า บรรดาสมณะก็ไม่มีใครเป็นคนผานด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าอันหนึ่งหากบุคคลเป็นผู้เลวทามเพราะวาจาของผู้อื่นใช้เขาก็เป็นผู้มีปัญญาทามพร้อมกับผู้นั้นและถ้าผู้เรียนจบพระเวทเองเป็นนักปราชญ์ได้ใช้บรรดาสมณะก็ไม่มีใครเป็นคนผาน พระผู้มีพระภาคตรัสว่าชนเหล่าใดกล่าวสรรเสริญธรรมอื่นนอกจากธรรมนี้ชนเหล่านั้นก็พลาดทางแห่งความหมดจดเป็นผู้ไม่บริบูรณ์เดชะถีพากันกล่าวทิฏฐิมากแม้อย่างนี้เพราะพวกเขาเป็นผู้ยินดียิ่งด้วยความยินดีในทิฏฐิของตนคําว่าชนเหล่าใดกล่าวสรรเสริญธรรมเอิญ น, นอกจากธรรมนี้ ชนเหล่านั้นก็พลาดจากทางแห่งความหมดจดเป็นผู้ไม่บริบูรณ์อธิบายว่าชนเหล่าใดกล่าวสรรเสริญธรรมคือทิฏฐิปฏิปทามักอื่นนอกจากธรรมนี้ชนเหล่านั้นก็พลาดคือผิดพลังคลาดทางแห่งความหมดจดคือทางแห่งความสะอาดทางแห่งความบริสุทธิ์ทางแห่งความผุดพองทางแห่งความผ่องแผ้วคือพลาดจากอรหัตผล เป็นผู้ไม่บริบูรณ์คือชนเหล่านั้นไม่เพียรพร้อมไม่บริบูรณ์ได้แก่เป็นคนเลวจามต่ำจามน่ารังเกียจอยากช้าต่ำต้อยรวมความว่าชนเหล่าใดกล่าวสรรเสริญทำเอื่นนอกจากทำนี้ชนเหล่านั้นก็พลาดทางแห่งความหมดจดเป็นผู้ไม่บริบูรณ์ทิฏฐิเรียกว่าติดท่า คำว่าเดรธีพากันกล่าวทิฏฐิมากแม้อย่างนี้อธิบายว่าทิฏฐิตรัสเรียกว่าติะถะท้าเจ้าทิฏฐิตรัดเรียกว่าเดรธีพวกเดรธีพากันกล่าวเพื่อพูดบอกแสดงชี้แจงทิฏฐิมากมายรวมความว่าเดรธีพากันกล่าวทิฏฐิมากแม้อย่างนี้คำว่าเพราะพวกเขาเป็นผู้ยินดียิ่ง ด้วยความยินดีในทิฐิของตนอธิบายว่าเพราะพวกเขายินดียินดียิ่งด้วยความยินดีในทิฐิของตนรวมความว่าเพราะพวกเขาเป็นผู้ยินดียิ่งด้วยความยินดีในทิฐิของตนด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าชนเหล่าใดกล่าวสรรเสริญธร ร, รรมอื่นนอกจากธรรมนี้ชนเหล่านั้นก็พลาดทางแห่งความหมดจดเป็นผู้ไม่บริบูรณ์ เดรธีพากันกล่าวทิฏฐิมากแม้อย่างนี้เพราะพวกเขาเป็นผู้ยินดียิ่งด้วยความยินดีในทิฏฐิของตนหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพวกเดรธีพากันกล่าวความหมดจดว่ามีอยู่ในธรรมนี้เท่านั้นไม่กล่าวความหมดจดในธรรมเหล่าอื่นพวกเดรธีตั้งอยู่ในทิฏฐิมากแม้อย่างนี้ ต่างกล่าวยืนยันในธรรมอันเป็นแนวทางของตนนั้นว่าด้วยทิฐิของผูกเดรัจฉ์คำว่าผูกเดรัจฉพากันกล่าวความหมดจดว่ามีอยู่ในธรรมนี้เท่านั้นอธิบายว่าผวกเดรัจฉ์พากันกล่าวคือพูดบอกแสดงชี้แจงความหมดจดคือความสะอาดความบริสุทธิ์ความหลุดไปความพ้นไป ความหลุดพ้นไปในธรรมนี้ว่าโลกเที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเป็นโมคะพวกเดรธีพากันกล่าวคือพูดบอกแสดงชี้แจงความหมดจดคือความสะอาดความบริสุทธิ์ความหลุดไปความพ้นไปความหลุดพ้นไปในธรรมนี้ว่าโลกไม่เที่ยงหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่ นี้เท่านั้นจริงยังเอื่นเป็นโมคะรวมความว่าพวกเีรถีพาันกล่าวความหมดจดว่ามีอยู่ในธรรมนี้เท่านั้นคำว่าไม่กล่าวความหมดจดในธรรมเหล่าอื่นอธิบายว่าพวกเีรธีเหล่านั้นย่อมทิ้งละทิ้งทอดทิ้งวาทะอื่นทุกอย่างนอกจากาศาสดาทมที่าศาสดากล่าวสอนหมูคนะ่คณะทิฏฐิปฏิปทามรของตน กล่าวคือพูดบอกแสดงชี้แจงอย่างนี้ว่าศาสดานั้นมิใช่สัพพันย์อยู่ทำมิใช่ศาสดากล่าวสอนไว้ดีแล้วหมู่คณะมิใช่ผู้ปฏิบัติดีแล้วทิฏฐิมิใช่สิ่งที่เจริญปฏิปทามิใช่ศาสดาบัญญัติไว้ดีแล้วมักมิใช่ทางนําสัตว์ออกจากทุกขในธรรมนั้นไม่มีความหมดจดความสะอาดความบริสุทธิ์ความหลุดไปความพ้นไป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 ทิฏฐิตรัสเรียกว่าติดถะเจ้าทิฏฐิตรัสเรียกว่าเดรถีพวกเดรถีตั้งอยู่คือตั้งมั่นติดติดแน่นติดใจน้อมใจเชื่อในทิฏฐิมากด้วยทิฏฐิมากรวมความว่าพวกเดรธีตั้งอยู่ในทิฏฐิมากแม้อย่างนี้คำว่าต่างกล่าวยืนยันในธรรมอันเป็นแนวทางของตนนั้นอธิบายว่า ทาชื่อว่าแนวทางของตนทิฏฐิชื่อว่าแนวทางของตนปฏิปทาชื่อว่าแนวทางของตนมักก็ชื่อว่าแนวทางของตนพวกเดียรถีก็กล่าวยืนยันเพื่อกล่าวมั่นคงกล่าวแข็งขันกล่าวหนักแน่นในแนวทางของตนรวมความว่าต่างกล่าวยืนยันในธรรมอันเป็นแนวทางของตนนั้นด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า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 ใส่ไฟใครอื่นว่าเป็นคน่านในพระทิินี้เจ้าลัทธินั้นกล่าวถึงผู้อื่นว่าเป็นคน่านมีความไม่หมดจดเป็นธรรมดาพึงนำความมุ่งร้ายมาเองทีเดียวคาว่าอันหนึ่งเจ้าลัทธิกล่าวยืนยันในแนวทางของตนอธิบายว่ารชื่อว่าแนวทางของตนทิิชื่อว่าแนวทางของตนปฏิปทาชื่อว่าแนวทางของตน มักก็ชื่อว่าแนวทางของตนเจ้าลัทธิกล่าวยืนยันคือกล่าวมั่นคงกล่าวแข็งขันกล่าวหนักแน่นในแนวทางของตนรวมความว่าอันหนึ่งเจ้าลัทธิกล่าวยืนยันในแนวทางของตนคําว่าในเพราะทิฏฐินี้ในคําว่าใส่ไฟใครอื่นว่าเป็นคนผ่านในเพราะทิฏฐินี้อธิบายว่าพึ่งใส่ไฟคือเห็นแลเห็น ตรวจดูเพ่งพินิษพิจารณาดูบุคคลอื่นด้วยความเป็นคนผ่านคือเป็นคนเลวสามต่ำสามน่ารังเกียจหยาบช้าต่ำต้อยในเพราะทิฏฐิของตนคือความถูกใจของตนความพอใจของตนลัทธิของตนรวมความว่าใส่ไฟใครอื่นว่าเป็นคนผ่านในเพราะทิฏฐินี้ คำว่าเจ้าลัทธินั้นกล่าวถึงผู้อื่นว่าเป็นคนผ่านมีความไม่หมดจดเป็นธรรมดาพึงนำความมุ่งร้ายมาเองทีเดียวอธิบายว่าเจ้าลัทธินั้นกล่าวเคือพูดบอกแสดงชี้แจงอย่างนี้ว่าผู้อื่นเป็นคนผ่านคือเป็นคนเลวสามต่ำสามน่ารังเกียจหยาบช้าต่ำต้อยมีความไม่หมดจดเป็นธรรมดา คือมีความไม่สะอาดเป็นธรรมดามีความไม่บริสุทธิ์เป็นธรรมดามีความไม่ผ่องแผ้วเป็นธรรมดาพึงนำคือนำมาพร้อมถือมาถือมาพร้อมชักมาชักมาพร้อมถือยึดมั่นถือมั่นการทะเลาะการบาดหมางการแข่งแย่งการวิวาทการมุ่งร้ายมาเองทีเดียวรวมความว่าเจ้าลัทธินั้นกล่าวถึงผู้อื่นว่าเป็นคน่าน มีความไม่หมดจดเป็นธรรมดาพึงนำความมุ่งร้ายมาเองทีเดียวด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าอันหนึ่งเจ้าลทัทธิกล่ายืนยันในแนวทางของตนใส่ไฟใครอื่นว่าเป็นคนผ่านในเพราะทิินี้เจ้าลทัทธินั้นกล่าวถึงผู้อื่นว่าเป็นคนผ่านมีความไม่หมดจดเป็นธรรมดาพึงนำความมุ่งร้ายมาเองทีเดียว หนึ่งร้อยยี่สิบเก้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเจ้าละทินั้นตั้งอยู่ในทิฏฐิที่ตกลงใจและนับถือเองแล้วก็ถึงการวิวาทในการข้างหน้าในโลกคนที่เกิดมาละทิชทิที่ตกลงใจทั้งมวลได้ย่อมมิก่อการมุ่งร้ายในโลกคําว่าเจ้าละทินั้นตั้งอยู่ในทิฏฐิที่ตกลงใจและนับถือเองแล้วอธิบายว่า ทิฏฐิหกตรัสเรียกว่าทิฏฐิที่ตกลงใจเจ้าลัทธิตั้งอยู่คือตั้งมั่นถือยึดมั่นถือมั่นในทิฏฐิที่ตกลงใจรวมความว่าเจ้าลัทธินั้นตั้งอยู่ในทิฏฐิที่ตกลงใจคําว่านับถือเองอธิบายว่านับถือคือนอบน้อมเองว่ า, าศาสดานี้เป็นสัพพันย์อยู่ได้แก่ นับถือคือนอบน้อมเองว่าทมนี้ศาสดากล่าวสอนไว้ดีแล้วหมูคณะนี้เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วทิฐินี้เป็นสิ่งที่เจริญปฏิปทานี้ศาสดาบัญญัติไว้ดีแล้วมักนี้เป็นทางนำสัตว์ออกจากทุกข์รวมความว่าเจ้าลัทธินั้นดำรงอยู่ในทิฏฐิที่ตกลงใจและนับถือเองแล้ว พิมว่าก็ถึงการวิวาทในการข้างหน้าในโลกอธิบายว่าอนาคตตรัสเรียกว่าการข้างหน้าเจ้าลัทธินั้นวางวาทะของตนไว้ข้างหน้าก็ถึงคือเข้าถึงเข้าไปถึงถือยึดมั่นถือมั่นการทะเลาะการบาดหมางการแก่งแย่งการวิวาทการมุ่งร้ายเองทีเดียวรวมความว่าก็ถึงการวิวาทในการข้างหน้าในโลก อย่างนี้บ้างอีกในหนึ่งเจ้าลัทธินั้นย่อมก่อการทะเลาะก่อการบาดหมางก่อการแส่งแย่งก่อการวิวาทก่อการมุ่งร้ายตบวาทะเอ่ญข้างหน้าว่าท่านไม่รู้ธรรมวินัยนี้หรือหากท่านสามารถก็จงแก้ไขเถิดรวมความว่าก็ถึงการวิวาทในการข้างหน้าในโลกอย่างนี้บ้าง คำว่าละทิฐิที่ตกลงใจทั้งมวลได้อธิบายว่าทิฐิหกสิบสองปรัดเรียกว่าทิฐิที่ตกลงใจเจ้าละทิละคือสละสละขาดเว้นละเว้นบรรเทาทําให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งทิฐิที่ตกลงใจทุกอย่างจากความตกลงใจด้วยอํานาจทิฐิรวมความว่าละทิฐิที่ตกลงใจทั้งมวลได้ คำว่าคนที่เกิดมาย่อมไม่ก่อการมุ่งร้ายในโลกอธิบายว่าไม่ก่อการทะเลาะไม่ก่อการบาดหมางไม่ก่อการแข่งแย่งไม่ก่อการวิวาทไม่ก่อการมุ่งร้ายสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าอาคิเวชนะภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วอย่างนี้แลย่อมไม่โต้เถียงกับใครไม่มิวาสกับใครย่อมชี้แจง ไม่ถือมั่นสิ่งที่กล่าวกันในโลกเรื่องใดที่พูดกันในโลกเธอก็ไม่ยึดมั่นชี้แจงด้วยเรื่องนั้นคาว่าคนที่เกิดมาได้แก่สัตว์นรชนมานพ บ, บุรุษบุคคลผู้มีชีวิตผู้เกิดสัตว์เกิดผู้เป็นไปตามกรรมมนุษย์คําว่าในโลกได้แก่ในอบายโลกมนุษยโลกเทวโลกขันธโลก ธาตุโลกอายตนะโลกรวมความว่าคนที่เกิดมาย่อมไม่ก่อการมุ่งร้ายในโลกโดยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าเจ้าละทินั้นตั้งอยู่ในทิิที่ตกลงใจและนับถือเองแล้วก็ถึงการวิวาทในการข้างหน้าในโลกคนที่เกิดมาละทิิที่ตกลงใจทั้งมวลได้ย่อมไม่ก่อการมุ่งร้ายในโลก จูระวิยูหะสุตตันนิเทศที่12บจบ 13. มหาวิยุหะสุตตันนิเทศอธิบายมหาวิยูหะสูตรว่าด้วยการวิวาทกันเพราะทิฏฐิสูตรใหญ่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 คำว่าพวกใดพวกหนึ่งในคําว่าสมณพราหม์พวกใดพวกหนึ่งเหล่านี้ยึดถือทิฏฐิอยู่ได้แก่ทุกพวกโดยอาการทั้งหมดทุกพวกไม่เหลือไม่มีส่วนเหลือโดยประการทั้งปวงคําว่าพวกใดพวกหนึ่งนี้เป็นคํากล่าวรวมไว้ทั้งหมดคําว่ายึดถือทิฏฐิอยู่อธิบายว่าสมณพราหม์เจ้ารติบางพวก สมณพราหมณ์เหล่านั้นยึดยึดถือถือยึดมั่นถือมั่นทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่งบรรดาทิฏฐิหกสองแล้วอยู่อยู่ร่วมอยู่อาใจอยู่ครองในทิฏฐิของตนของตนเหมือนพวกครหัตผู้ครองเรือนก็อยู่ในเรือนหมู่ภิกษุผู้มีอาบัติก็อยู่ในอาบัติหรือพวกปุถุชนผู้มีกิเลสก็อยู่ในกิเลสฉันใดสมณพราหมณ์เจ้าระทิบางพวก สมณพราหมณ์เจ้าระทิเหล่านั้นยึดยึดถือถือยึดมั่นถือมั่นทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่งบรรดาทิฏฐิหกสิบสองแล้วอยู่อยู่ร่วมอยู่อาศัยอยู่ครองในทิฏฐิของตนของตนฉันนั้นเหมือนกันรวมความว่าสมณพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งเหล่านี้ยึดถือทิฏฐิอยู่คำว่าพากันกล่าวอ้างว่านี้เท่านั้นจริงอธิบายว่า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 คำว่าสมณพราหมณ์เหล่านั้นทุกพวกนั่นแหละจะถูกนินทาอธิบายว่าสมณพราหมณ์เหล่านั้นทุกพวกนั่นแหละจะได้รับการนินทาคือได้รับการติเตียนได้รับความเสื่อมเกียรติได้แก่ทุกพวกจะถูกนินทาจะถูกติเตียนจะถูกทําให้เสื่อมเกียรติรวมความว่าสมณพราหมณ์เหล่านั้นทุกพวกนั่นแหละจะถูกนินทาคําว่า หรือว่าจะได้รับความสัรเสริญในพระทิฏฐินั้นอธิบายว่าจะได้คือจะได้รับสมหวังประสบความสันเสริญคือความชื่นชมเกียรติคุณความยกย่องในพระทิฏฐิของตนคือในความถูกใจของตนความพอใจของตนลัทธิของตนนั้นรวมความว่าหรือว่าจะได้ความสันเสริญในพระทิฏฐินั้นด้วยเหตุนั้น พระพุทธเนรมิตจึงทูลถามว่าสมณะพราหม์พวกใดพวกหนึ่งเหล่านี้ยึดถือทิฏฐิอยู่พากันกล่าวอ้างว่านี้เท่านั้นจริงสมณะพราหม์เหล่านั้นทุกพวกนั่นแหละจะถูกนินทาหรือว่าจะได้ความสรรเสริญในเพราะทิฏฐินั้นหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าผลแห่งวาทะนี้น้อยนักไม่พอเพื่อความสงบ เรากล่าวผลแห่งการวิวาทเป็นสองอย่างบุคคลเห็นโทษแม้นี้แล้วมองเห็นภูมิเหตุแห่งการไม่วิวาสว่ากระเสมไม่พึงวิวาทกันคำว่าผลแห่งวาทะนี้น้อยนะักในคำว่าผลแห่งวาทะนี้น้อยนะักไม่พอเพื่อความสงบได้แก่ผลนี้น้อยเพื่อผลนี้ต่ําตามหน่อยเดียวน่ารังเกียจหยาบช้าต่ําต้อย รวมความว่าผลแห่งวาทะนี้น้อยนักคาว่าไม่พอเพื่อความสงบอธิบายว่าไม่พอเพื่อความสงบราคะเพื่อความสงบโทสะเพื่อความสงบโมหะไม่พอเพื่อความสงบคือเพื่อเข้าไปสงบเพื่อสงบเย็นเพื่อความดับเพื่อความสลัดทิ้งเพื่อความสงบระงับโกตะอุปนาหะมักคะปลาสะอิสา มัจฉริยะมายาสาเถยยะธรรมภะสารมภะมานะอติมานะมทะปะมาทะกิเลสทุกชนิดทุจริตทุกทางความกระวกระวายทุกอย่างความเร่าร้อนทุกสถานความเดือดร้อนทุกประการไม่พอเพื่อความสงบคือเพื่อเข้าไปสงบเพื่อสงบเย็นเพื่อความดับเพื่อความสลับทิ้ง เพื่อความสงบระ ง, งับอากุศลาพิสังขารทุกประเภทรวมความว่าผลแห่งวาทะนี้น้อยนักไม่พอเพื่อความสงบว่าด้วยผลแห่งการวิวาทสองอย่างคำว่าเรากล่าวผลแห่งการวิวาทเป็นสองอย่างอธิบายว่าผลแห่งการทะเลาะเพราะทิฏฐิการบาดหมางเพราะทิฏฐิการแก่งแย่งเพราะทิฏฐิการวิวาทเพราะทิฏฐิ การมู่ร้ายพระทิฏฐิมีสองอย่างคือชนะกับพ่ายแพ้มีลาบกับเสื่อมลาบมียศกับเสื่อมยศนินทากับสรรเสริญสุขกับทุกโสมนัสกับโทมนัสอารมณ์ที่พึงปรารถนากับไม่พึงปรารถนาความชอบกับความชังความเฟื่องฟูกับความแฝบฟุกความยินดีกับความยินร้ายอีกในหนึ่งเรากล่าวคือพูด บอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายประกาศว่าคำนั้นเป็นไปเพื่อนรกเป็นไปเพื่อกำเนิดเดรัจฉานเป็นไปเพื่อเปตาวิสัยรวมความว่าเรากล่าวผลแห่งการวิวาทเป็นสองอย่างคำว่าเห็นโทษแม่นี้แล้วในคำว่าบุคคลเห็นโทษแม่นี้แล้วไม่พึงวิวาทกันอธิบายว่า เห็นแล้วคือแลเห็นเทียบเคียงพิจารณาทําให้กระจางทําให้แจ่มแจ้งแล้วซึ่งโทษนี้ในเพราะเหตุแห่งการทะเลาะกันด้วยอํานาจทิฐิการบาดหมางกันด้วยอํานาจทิฐิการแข่งแย่งกันด้วยอํานาจทิฐิการวิวาทกันด้วยอํานาจทิฐิการมุ่งร้ายกันด้วยอํานาจทิฐิรวมความว่าเห็นโทษแม้นี้แล้วคําว่าไม่พึงวิวาทกัน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 หลุดพ้นไม่เกี่ยวข้องกับการทะเลาะการบาดหมางการแข่งแย่งการวิวาทและการมุ่งร้ายมีใจเป็นอิสระจากกิเลสอยู่รวมความว่าบุคคลเห็นโทษแม้นี้แล้วไม่พึงวิวาทกันคำว่ามองเห็นภูมิเหตุแห่งการไม่วิวาทว่ากระเสมอธิบายว่าอมตะนิพพานตรัสเรียกว่า ภูมิแห่งการไม่วิวาทได้แก่ทำเป็นที่สงบสังขานทั้งปวงเป็นที่สลัดทิ้งอุปธิทั้งหมดเป็นที่สิ้นตันหาเป็นที่คลายกำหนับเป็นที่ดักกิเลสเป็นที่เย็นสนิทบุคคลมองเห็นคือแลเห็นตรวจดูเพ่งพินิษพิจารณาเห็นภูมิแห่งการไม่วิวาทนี้โดยความเป็นธรรมอันเกษมคือโดยความเป็นธรรมเครื่องป้องกันเป็นที่เหลีกเร้น เป็นที่พึ่งเป็นที่ไม่มีภัยเป็นที่ไม่จุติเป็นอมตะธรรมเป็นนิพพานรวมความว่ามองเห็นภูมิเหตุแห่งการไม่วิวาดว่ากระเสมด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสตอบว่าผลแห่งวาทะนี้น้อยนักไม่พอเพื่อความสงบเรากล่าวผลแห่งการวิวาทเป็นสองอย่างบุคคลเห็นโทษแม้นี้แล้ว มองเห็นภูมิเหตุแห่งการไม่วิวาดว่ากระเสมไม่พึงวิวาทกันหนึ่งร้อยสามสิบสองพระผู้มีพระภาคตรัสต่อไปว่าทิฏฐิสมมุติเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดจากปุถุชนบุคคลผู้มีความรู้ย่อมไม่เข้าถึงทิฏฐิสมมุติเหล่านี้ทุกอย่างบุคคลผู้ไม่มีกิเลสเป็นเหตุเข้าถึงนั้นไม่ทำความพอใจในรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยิน พึงถึงสิ่งที่ควรเข้าถึงอะไรเล่าคำว่าอย่างใดอย่างหนึ่งในคําว่าทิฏฐิสมมุติเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดจากปุถุชนได้แก่ทุกอย่างโดยอาการทั้งหมดทุกอย่างไม่เหลือไม่มีส่วนเหลือโดยประการทั้งปวงคําว่าอย่างใดอย่างหนึ่งนี้เป็นคํากล่าวรวมไว้ทั้งหมดคําว่าทิฏฐิสมมตุติอธิบายว่า ทิฏฐิหกตรัสเรียกว่าสมมติจึงชื่อว่าทิฏฐิสมมติคำว่าเกิดจากปุตุชนอธิบายว่าทิฏฐิสมมติเหล่านั้นเกิดจากปุตุชนจึงชื่อว่าเกิดจากปุตุชนหรือทิฏฐิสมมติเหล่านี้เกิดจากชนต่างๆมากมายจึงชื่อว่าเกิดจากปุตุชนรวมความว่าทิฏฐิสมมติเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดจากปุตุชน คำว่าบุคคลผู้มีความรู้ย่อมไม่เข้าถึงทิฏฐิสมมุติเหล่านี้ทุกอย่างอธิบายว่าบุคคลผู้มีความรู้คือมีวิชามียานมีปัญญาแจ่มแจ้งมีปัญญาเครื่องทำลายกิเลสย่อมไม่ถึงไม่เข้าถึงคือไม่เข้าไปถึงไม่ถือไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่นทิฏฐิสมมุติเหล่านี้ทุกอย่างรวมความว่าบุคคลผู้มีความรู้ ย่อมไม่เข้าถึงทิฐิสมมุติเหล่านี้ทุกอย่างว่าด้วยกิเลสเป็นเหตุเข้าถึงสองอย่างคำว่ากิเลสเป็นเหตุเข้าถึงในคำว่าบุคคลผู้ไม่มีกิเลสเป็นเหตุเข้าถึงนั้นพึงถึงสิ่งที่ควรเข้าถึงอะไรเล่าอธิบายว่ากิเลสเป็นเหตุเข้าถึงสองอย่างคือหนึ่งกิเลสเป็นเหตุเข้าถึงด้วยอานาจปัญหา สองกิเลสเป็นเหตุเข้าถึงด้วยอำนาจทิฐิน like ี้ชื่อว่าก <Cause> ิเลสเป็นเหตุเข้าถึงด้วยอำนาจตันหานี้ชื่อว่ากิเลสเป็นเหตุเข้าถึงด้วยอำนาจทิฐิบุคคลนั้นละกิเลสเป็นเหตุเข้าถึงด้วยอำนาจตันหาได้แล้วสลัดทิ้งกิเลสเป็นเหตุเข้าถึงด้วยอำนาจทิฐิได้แล้วเพราะเป็นผู้ละกิเลสเป็นเหตุเข้าถึงด้วยอำนาจตันหาสลัดทิ้งกิเลสเป็นเหตุเข้าถึงด้วยอำนาจทิฐิได้แล้ว บุคคลจึงชื่อว่าไม่มีกิเลสเป็นเหตุเข้าถึงพึงเข้าถึงคือเข้าไปถึงถือยึดมั่นถือมั่นรูปอะไรเล่าว่าอัตตาของเราเวทนาอะไรเล่าสัญญาอะไรเล่าสังขารอะไรเล่าคติอะไรเล่าการเข้าถึงกำเนิดอะไรเล่าปฏิสนที่อะไรเล่าพบอะไรเล่าสงสารอะไรเล่าพึงเข้าถึง คือเข้าไปถึงถือยึดมั่นเถอมั่นวัตตะอะไรเล่าว่าวัตตะของเรารวมความว่าผู้ไม่มีกิเลสเป็นเหตุเข้าถึงนั้นพึงถึงสิ่งที่ควรเข้าถึงอะไรเล่าคําว่าไม่ทําความพอใจในรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินอธิบายว่าไม่ทําความพอใจคือไม่ทําฉันทะไม่ทําความรักไม่ทําความกําหนัดได้แก่ ไม่ให้ความพอใจเกิดไม่ให้เกิดขึ้นไม่ให้บังเกิดไม่ให้บังเกิดขึ้นในรูปที่เห็นหรือความหมดจดเพราะรูปที่เห็นในเสียงที่ได้ยินหรือความหมดจดเพราะเสียงที่ได้ยินในอารมณ์ที่รับรู้หรือความหมดจดเพราะอารมณ์ที่รับรู้รวมความว่าไม่ทำความพอใจในรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า